ทำอยู่ดีๆไปนอนอ้าวขอบคุณอัลลอฮ์เรามาถึงอายาที่34ว่าลิ kulli u ม m a t i n jalna mansakah liyazkurus ma allahi ala ma razaqhum min behimatil an'am فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر ا, إ, أ, وب الم أ و المخبتين الله أكبر ولكل أ م ة جعلنا من سك ليذكر و ا اسم الله على ما رزقهم มิมบ ه ي م ة ا ل أ นา م فإلهكم إله واحد a ل ه أصله و ب m u ا ل b خ ب ت ي ن ا l ل ه أكبر ที่ต้องการความหมายของกุรานก็คือว่าวะลิกุลอิอุมมัดิน อุมมาเนี่ยแปลว่าประชาชาติวาลิกุลิอุมมตินทุกทุกประชาชาติหรือสําหรับทุกๆุกประชาชาติยาลนาเราได้กําหนดมันสักาพิธีกรรมเราได้กําหนดพิธีกรรมคําว่าพิธีกรรมเนี่ยมีอยู่สามความหมายให้ตับซีนนะ ความหมายหนึ่งแปลว่ามันซักหมายถึงมีการเชื่อดสัตว์เชือดสัตว์ทากุฎบา เ, เรียกว่ามันซักก็ได้ทุกๆุกประชาชาติเนี่ยอลัลลอฮ์กำหนดให้มีการเชือดสัตว์นะมันซักนี่แปลว่าอหิตก็ได้วันสำคัญสำคัญของศาสนาอาลัลลอฮ์จะกาหนดวันสำคัญของทุกศาสนามีหมดนะครับทุกอุมมะ ทุกประชาชาติที่มาในโลกนี้เอาลอได้กำหนดวันวันสำคัญวันเชือดสัตว์แล้วก็อีกความหมายหนึ่งมันซักแปลว่าการทำฮ a j การทำฮัจ <c oughs> ฮจะนั้นแต่ส่วนใหญ่อุละมาส่วนใหญ่เ้ามองว่ามันซักนี่แปลว่าทำกุรบาาการเชือดสัตว์เพื่อทำกุรบานวะลิกุลุมมัตินจ้าลนามันซักะ และสําหรับทุกๆทุกๆประชาชาตินั้นเราได้กําหนดพิธีกรรมเชือดสัตว์นะครับให้มีการเชื้อดสัตว์แต่สําหรับมุสลิมพอว่าเชื้อดสัตว์แล้วก็นึกถึงกุลบานอธิบายคาว่ากุลบานนิดหนึง่งกุลบานนี่ใครเป็นคนกําหนดผู้ที่กําหนดต้องนบีนะครับในฮัในตัฟซิดในหัดิดอธิบายบว่าสุนนต์ น, นาตุอับีกุมอิบรอฮีม เป็นซุนนาของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามที่มุสลิมเชื่อศรักันทั้งโลกเนี่ยมาจากใครนะ ต, นต้นต้นตํำรับต้นแบบก็คือนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเราเนี่ยมีที่มานะว่าจะเชื่อศรัทธาแต่ละครั้งเนี่ยอย่างเชื่อกุรบาลครั้งนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยทุกปีเนี่ยนะใครเป็นต้นแบบก็คือนบีอิบราฮิมนะครับ ในศาสนาคริสต์ที่ตั้งเสด็อธิบายอีกในศาสนาอาลีกิตามเนี่ยชาวคัมภีรเนี่ยการเชื่อสัตว์นี่เขาถือเป็นเรื่องใหญ่วันนี้ในศาสนาคริสต์มีสองข้อเองนะที่ยังรักษาเอาไว้นอกนั้นเขาเขาไม่รักษาแล้วหนึ่งเรื่องนิกะสองเรื่องการเชื่อสัตว์ในศาสนาคริสต์มีแค่สองรายการเอง ทีบ่บรรดาอุลามะมุสลิมเขาก็มองดูว่าโอ้พวกชาวอาัลกิตาบชาวคัมพีเนี่ยรักษาศาสนาเอาไว้แค่สองข้อเท่านั้นเองคือสัตว์ทุกชนิดนี่จะต้องเชื่อด่อาสองมีการ ม, ม, ม, ม, มีพยงพยานในศาสนาคริสโดยเหตุ น, นี้อัล ล, ลอฮฺเลยอนุญาตนะให้มุสลิมเนี่ยกินเนื้อของคนอัลกิตาบได้ เพราะเขายังไม่ทิ้นอัลลอฮ์ุบฮานาฮูตะอาดาแต่อัคดาส่วนอื่ น, นเสียหมดแล้วนะครับมีเฉพาเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องการเนี่ยนิกาเขามีพยานนะครับนนั้นเราเนี่ยนะผู้ชายมุสลิมเนี่ยสามารถแต่งงานกับผู้หญิงอะไรนะยะฮูดีได้นัสรอนีได้ผู้ชายนะแต่วันนี้พวกเราก็เอาหมด อัลลอฮ์เนี่ยูดแลอ่านกุณอ่านลึกๆแล้วเขาอธิบายว่าให้ผู้ชายมุสลิมอนุญาตให้แต่งงานกับหญิงอาลากีตาบได้นี่เขาไม่พูดเรื่องผู้หญิงพูดเรื่องผู้ชายแต่พวกเราเขาเขาว่าอนุโลมที่หมดเลยเดทั้งผู้หญิงผู้ชายอยาจารยมองดีๆลึกๆนะอนุญาตให้ผู้ชายมุสลิมแต่งงานกับผู้หญิงชาวคัมภีรได้นะครับก็ ฝากเอาไว้น ะ, ะคิดเ ป, เ, ปเป็นเป็นเป็นข้อคิดทั้งหมดเลยนะทีนี้การเชื่อสัตว์เนี่ยเมื่อมีพิธีกรรมแล้วเนี่ยลิยะสุกรุสมัลลอฮฺลิยะสุรุสมัลลอฮเพื่อรีไปว่าเพื่อลิยะสุกรุสมัลลอฮเพื่อพวกเขาจะได้เอ่ยนามของอัลลอตรงนี้เป็นคำสั่ง ทุกครั้งที่มีการเชือดสัตว์จะต้องเอ่ยนามของอัลลอฮ์ سبحانه และุสัลตานาอย่าเชือดสัตว์โดยไม่ได้เอ่ยนามอัลลอฮ์เอ่ยนามสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆไม่ได้เนี่ยคุรานสั่งเลยนะลียาสุปูรุสมลัลลอนะครับเราได้กำหนดพิธีกรรมหมายถึงการเชือดสัตว์เพื่อพวกเขาจะได้เอ่ยนามของ الله. อังลลอฮ์อัลลอฮฺอักบรอิสมล เวลาจะเชื้อสัตว์เนี่ยนบีสอนอย่างนี้ดฮะรอซูลลอฮฺบิกับใช่นีฟิยามีไอดินนะครับนบีได้เชือดสัตว์เป็นแกะสองตัวในวันอีดครั้งหนึ่งนั้นนบีเคยเชื้ออูดประมาณ70ตัวก็มีนะครับแต่นี้เล่าเฉพาะสองตัวก่อนแกะสองตัวนบีเชื้อแกะสองตัวนะครับในวันอีด พอนบีจะเชื่อสัตว์นี่นบีกล่าวว่าไงนะบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอะลลอฮฺกับบารอซัมมัลลอฮฺกับบารอกล่าวบิสมิลลาแล้วก็ตามด้วยอัลลอฮฺอะคบัตบางคนถามว่าเฉพาะวันอีกใช่ไหมที่กล่าวอัลลอฮฺอะคบัตเนี่ยบอกไม่ใช่ทุกครั้งที่เรามีโอกาสจะเชื่อสัตว์ต้องให้กล่าวสองคำนะบิสมิลลาฉันเชื่อสัตว์ด้วยนามของอัลลอฮฺ ว่ากับบารอและนบีลวอัลลอฮอักบัดนะครับนี่ตังกูอ่านอายนี้แต่นั้นเนี่ยอัลลอสั่งนะครับว่ามุสลิมทุกคนจะต้องเชื่อสัตว์นะครับเชื่อสัตวงานนี้ต้องต้องใช้คนใช้มีดไม่ได้ต้องใช้คนนะครับบิสมิลลาฮิอัลลอฮอักบัต้องกล่าวฉนั้นเดี๋ยวนี้ประเทศที่เชื่อไก่มากที่สุดในโลกนะประเทศบราซิล รองลงมาในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวนี้คนเลิกอารับเนี่ยเลิกสั่งจากบราซิลมุ่งมาประเทศไทยกันแล้วเพราะว่าคนคนไทยยังรักษากฎอันนี้อยู่เร <c oughs> ื่องการกล่าวได้นะต้องกล่าวอิสมิลาด้วยนามของอัลลอและก็อัลลอฮฺอักบัฮจะ ก, กล่าวจะเขียนบิสมิลลาแปะแปะที่มีดก็ไม่ได้เอาเฉีอดไปบิสมิลลาอยู่ในมีดแล้ว ต้องกล่าวทุกครั้งบัดนบิสมิลลาห์อัลลอฮบกบับิสมิลลาห์อัลลอฮฺบกรบับิสมิลลาห์อัลลอฮฺบอกรวเยอุลลอฮมานแเน้นบอกว่าให้เป็นเป็นเป็นมุสลิมใช่ได้หรคนเชื่อให้เป็นมุสลิมจตอุลลอฮฺมาบางท่านบ่ต้องกล่าวทุกตัวบางครั้งบอกว่ากล่าวบิสมิลลาห์หรือบางอะไรบา้างหรืออาทจะเชื่อไม่ทันบ้างอะไรบ้างก็อนุญาตเพราะคนนี้เป็นมุสลิมครับามดลิลลาห์ทีนี้สาหรับ ทุกๆประชาชาติเราได้กำหนดพิธีกรรมเพื่อพวกเขาจะได้เอ่ยนามของอัลลอ์ตอนเชื่อดนะครับอลามารอซาคอฮุมมิมบาฮิมาติลอันมที่อัลลอ์ได้ทรงประทานเครื่องอยัง่งชีพอลามารอซาคอฮุมอัลลอ์ให้สัตว์มานี่นะนี่เป็นริสกีนะ สัตว์นี่เป็นเรากีนะครับที่อัลลอฮ์ได้ประทานเครื่องยังเชี่ยมให้แก่เขาเหล่านั้นมินบาฮีมาติอานามบาฮีมาแปลว่าสัตว์อันน้างก็แปลว่าสัตว์สัตว์สเท้าสัตว์สเท้านี่เ ร, ราอัลลอฮ์ให้มาเพื่ออะไรนะมันมีประโยชน์เยอะในอายะอื่นที่ผ่านมาเนี่ยสัตว์อย่างน้อยมีสี่รายการที่อัลลอฮ์ให้นะหนึ่งเอามาใช้งานสองเอามาขี่เป็นยานพาหนะ 3กินนมของมันสเอาขนของมันตัดแล้วเอามาทําอะไรนะมาทําเครื่องนุ่งห่มได้อะไรได้เอาหนังมันมามีประโยชน์เยอะหมดเลยแล้วก็ข้อที่สีก็เอามาเป็นอาหารฉะนั้นในตัวสัตว์นี่เราตาลาให้บราริการนะครับให้สัตว์นี่มีประโยชน์ทุกส่วนเลยนะกระดูกท่านนั่นเองที่กินแต่บางบางเอากระดูกมาทําอีกตัวเนี้อ่าเอามาท ำ, ท ำ, ทำนุ่นทํานี้ตัวลิงว่าสัตว์ทุกชนิด สัตว์ที่อัลลอ์ให้มานี่ประโยชน์เยอะเหลือเกินแต่คนเนี่ยอัลลอ์ให้ฝัง่ะจะเอาอะไรมาใช้ในร่างกายของมนุษย์นี่ไม่ได้เลยพี่น้องสังเกตนะทําไมอัลลอ์ให้เกียรติยกย่องมนุษย์ถึงขนาดนี้นะครับนี่ในช่วงนี้เนี่ยเราเ น, เ, า เ, นเลือกสัตว์ทําคุณบานใช่ไหมเลือกแบบไหนสัตว์ที่ดีอ้วนสมบูรณ์ราคาแพ ง, แพง เอาไปเชื่อเพื่ออัลลอฮ์เราเวลาอัลลอฮ์จะเลือกเราเข้าสวรรค์อัลลอฮ์เลือกไหมต้องเลือกคนดีเหมือนกันจะนั้นคนที่นั่งเกียรติมรซีฟนี่อัลลอฮ์เลือกนะคัดคนที่เอาเข้าสวรรค์ขนาดเราจะเลือกสัตว์ยังต้องเลือกสัตว์อ้วนสัตว์ดีสัตว์อัลลอฮ์เขาหักก็ไม่ได้เกยก็ไม่ได้พร้อมมากก็ไม่ได้อัลลอฮ์อายุตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วเราล่ะ อัลลอฮ์จะเลือกเข้าสวรรค์อัลลอฮ์จะไม่คัดเลยนะที่นองทั้งหลายก็ขอฝากไว้เรานี่เหมาะที่อัลลอฮ์จะเลือกเข้าสวรรค์หรือยังถ้ายังไม่พร้อมก็นมาฎยาขาดนะครับรีกรอนรอเยอะๆในช่วงสิบวันนี้นะครับเอาต่อมาครับอายาเดียวนี้อัลลอฮ์สอนกีเรื่องเรื่องทีหนึ่งทุกๆประชาชาติมีการเชือดสัตว์ทำกุลบานก่อนเชือดสัตว์ให้เอ่ยนามอัลลอฮ์แล้วก็สัตว์ที่อัลลอฮ์ให้มานั้นเป็นริสกีสําหรับพวกเขา นะข้อที่สี่ฟาอิลฮูกุมอีลฮุวาฮิดอัลลอฮ์ตรงนี้สอนดีนะพระผู้เป็นเจ้าของสูงเจ้าคือพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นไม่มีสองไม่มีสามไม่มีสี่เห็นยังครับนี่งานเรื่องอคัคดีดในคุณอ่านจะพูดซ้ําไปซ้ํามาเรื่องอัลลอฮ์มีองค์เดียวนะอัลลอฮ์มีองค์เดียวนะ นั้นพระเจ้าของท่านทั้งหลายคืออัลลอฮ์มีกี่องค์ครับวาฮิดอิลฮุนวะฮิดุนมีนพระเจ้าองค์เดียวแต่มีสิทธิ์เท่าไหร่9กพระนามทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยนินทรงให้เป็นให้ตายให้น้ําขึ้นน้ําลงอ่ให้สร้างโอ้สิทธิ์อัลลอฮ์มีเท่าไหร่99ที่เราท่องยนะี่สิบมันน้อยไรเหลืออีกตั้ง80ดสิบนะโหลด สิฟัดดูวปโลนเนเหลือแค่ย0สบเนี่ยย่อลงมาแล้วและอีกปสิบไปไหนแค่นั่งใครที่อ่านอะไรท่องจำสิฟัตของอัลลอ99เาพระนามเนี่ยเข้าสวรรค์ของอัลลอ์สุบฮานาฮู ว, วะตาลานะครับเอาต่อมาครับฟาลาหูอัสลิมูดังนั้นนี่อัลลอ์สั่งนะอัสลิมูจงนอบน้อมทอมตนต่ออัลลอ์ คำว่าอิสลามนี่นะคำว่าอิสลามหรือมุสลิมก็คือคนที่ยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์อัลสลิมูอัลลอฮ์สั่งนะท่านทั้งหลายจงนอบน้อมถ่อมตนต่ออลัลลอฮ์คำว่านอบน้อมถ่อมตนก็คืออย่าไปเคารพสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะครับผ้าเขียวผ้าแดงที่ผูกที่หัวเรือตอนออกออกประมงไ ม, ม่ไม่ช่วยอะไรไม่ได้ จิงจบช่วยไม่ได้โตตะเกียช่วยไม่ได้โตระยองช่วยไม่ได้ผ้าเขียวผ้าแดงที่ผูกที่หัวจั้ช่วยไม่ได้จิงจกทักช่วยไม่ได้ช่วยได้คืออัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นฟาญาหูอัสลิมูดังนั้นสุชา้าทั้งหลายจงนอบน้อมต่อพระองค์เถิดอัลลอฮฺอักบะด น, นี่ได้ความรู้เยอะไหมพูดอานหน้าเดียวนะพี่น้องวัคสุดท้าย ว่าบัชริลมุคบิตินบัชชริลมุคบิตีนบัชชิตแปลว่าจงแจ้งข่าวดีคนที่ชื่อบัชชิตเนี่ยชื่อเพราะข่าวดีบัชชิตจงแจ้งข่าวดีนี่อลัลลอ์นะอลัลลอฮ์บอกกับนนะบีมุฮัมมัดนะมุฮัมมัดเออจงแจ้งข่าวดีกับใครอลัลมุคบิตีนแกผู้ที่ถ่อมตนมุคบิตนเนี่ยแปลว่าถ่อมตนในตับ หลายๆเรื่องผมเช็คมานะครับมีทั้งหมดเก้าเก้าความหมายเรื่องของหัวใจอย่างเดียวเลยนะครับเก้าความหมายความหมายที่หนึ่งแปลว่าอัลมูตาวาติินคนที่มีหัวใจนอบน้อมมุขบิตีเนี่ยท่านคนที่หัวใจมอบนอบน้อมต่อร้อยนะคนนี้ด้ไปสวรรค์ <c oughs> สองอัลคอเชอิน คนที่ร่างกายของเขาเลยนะอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์นะเขาไม่ยกแข่งยกขาเขานอบนอบ้อมด้านหัวใจแล้วก็ด้านร่างกายด้วยอวัยวะเนี่ยจะต้อรวมไปถึงคนที่อยู่ในท่า น, นมาดเนี่ยไม่ควรจะแต่งตัวในในนมาดไปจัดมวกจัดเท้าติดกระดุมติดกระดุมเสื้ออย่าจัดนะครับ ทำให้อะไรอไวัยวะร่างกายทั้งหมดทุกส่วนเนี่ยนอบน้อมแล้วหัวใจนอบน้อมดีสองแล้วนะข้อที่สาม <c oughs> อัลมุตมาอินนีนอิลาฮิคีอิลาฮิหิมหัวใจของเขาสงบมอนึกถึงอัลลอ์นี่แปลว่ามุกบิตีนเหมือนกันหัวใจเขาสงบมานึกถึง AH> อัลลอฮ์อ้าเวลาทะเลาะ ก, าะการรนันทะเลาะกันพราะนึกถึง เอาเงินไปเลยมันจะเจอตอนเร ย, ยิมนึถึงอ AH. ัลลอฮ์หัวใจมันสงบหุ่หยุดหยให้อาัยาไม่เอาเรื่องให้อภัยนี่ยดีมากเลยกับคนที่นึกถึงอ AH. ัลลอฮ์หัวใจก็สงบนะต่อมาข้อที่สี่นะครับคออีฟินหัวใจที่กลัวอ AH. ัลลอฮ์หัวใจที่กลัวอัลลอฮ์พี่น้องไม่กล้าทาบาปไม่กล้าทิ้งนะมา ไม่กล้าทำศีนาทั้งๆมีโอกาสจะทำศีนาเยอะแต่ว่ากลัว Allah อัลลอฮคนประเภทนี้จงแจ้งข่าวดีกับคนที่อะไรนะมีหัวใจที่กลัวอัลลอ์สุบฮานะหวูวะตอาลาข้อที่หพี่น้องข้อที่หอัลมุคลซีนมุคบิตีนเนี่ยแปลว่าคนที่มีหัวใจอะไรนะบริสุทธิ์ต่ออัลลอ์หมายความว่าทำงานทั้งหมดด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้หวัง สถาการชมเชิสารเสริญนะครับเงินทองตำแหน่งไม่หวังเลยหวังความพึงพอใจต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวเรียกว่าอะไรนะมุคลิสีมุคลิสนะคําแปรที่หกอัลลอฮีกอกูลูบูหุมหัวใจที่อ่อนโยนนึกถึงอัลลอฮ์แต่บางทีเราร้องไห้อยู่คนเดียวนี่อยู่คนโทรศัพท์มาหาผมเมื่อวานเขาบอกเขาร้องไห้วันละสุดหยูย่เนี่ยร้องไห้ บางทียืนยืนนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยน้ำตาไหลว่าบอกเออทำดีทำดีเลยละดีมากนะนี่ไงรอตี้หัวใ จ, จที่ไรนะนิ่มนวลอ่อนโยนไปน้อง น, น, นึกถึงอัลลอฮ์ละร้องให้ทุกทีนะเนี่ยวบัชเชริลมุคบีตีนจงแจ้งข่าวดีกับผู้ที่ท่อมตนนะครับต่อมากับข้อที่เจ็ดอ ah ัลม ah ุสตาฮิตฟิลีบาดะคนที่ขยันทําอิบาดะนี่ในช่วงสิบวันเนี่ย หนึ่งขยันนำมาตหาจุดขยันนมาสุนัตฟอรดูขยันนมาสุนนามุอะกะดะก่อนนมาซุโบสองรกะฆังทำสม่ำเสมอไม่ขาดก่อนนมาซูรีสองระฆังหรุรอสี่รกะฆังหลังนมาซูรีนี่ขยันทำอิบาดะนะครับนมาวิเตศขยันทำนะครับต่อมาครับ <c oughs> ข้อที่ข้อที่แอัลซอรีฮุนุลมุตมาอินูน คนดีและมีใจสงบคนซอแเละพี่น้องทำตัวอยู่ในร่องในรอยทำตัวรักษาศาสนารักษาคำสั่งของอัลลอฮ์ีก่ก็จะคนซอเล่เรียกว่ามุขบิตีนเหมือนกันและข้อที่เก้าพี่น้องคนที่ไม่ดันทุรังเมื่อทำผิดแล้วสำนึกตัวฉะนั้นคนในโอกาสทำผิดมีไหมมีด้วยกันทุกคนนั่นแหละ แต่เมื่อทำผิดแล้วอย่าได้นะอย่าดันอย่าทุรังทำผิดแล้วก็ถอยซะสารภาพผิดซะแล้วก็ภาษาที่กล่าวก็คืออะไรอัสตาฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอ์อีกคนหนึ่งท่านอามาดบินอสัสอธิบายบาว่ามุคบีตีเนี่ยแปลว่าอย่างนี้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่ทำความเดือดร้อนให้ใคร แต่เมื่อถูกรังแกเขาไม่แก้แค้นดีไหมฮอลล์สวนใหญ่เนี่ยถ้ามีอำนาจถ้ามีความสามารถแก้แค้นนี่แก้ทุกคนนะนอกจากคนที่เข้าใจาศาสนาฉันให้อภัยนบีมุฮัมมัดเป็นคนเดียวนะที่ท่านนบีพูดกั้ว่าเรื่องส่วนตัวใครด่าฉันว่าฉันตำหนิฉันเอาอะไรอะเอาอุจจาระ มาวางไว้บนหลังนบีเอาอุจระมป้ายหน้าบ้านนาบีนบีถูกรังแกถูกนู่นถูกนี้นบีไม่เคยแก้แค้นเลยให้อภัยฉะนั้นว่าบัชิริลมุขมีตีนจงแจ้งข่าวดีกับคนที่ถูกรังแกแล้วไม่แก้แค้นก็มีความหมายอยู่ทํานี้เหมือนกันมีทั้งหมดสิบความหมายนะคุณน้อง <c oughs> เอาต่อมาครับ คำว่าฟาอิล่าฮูกุมอลาฮูวาเฮอุลมาอธิบายต่ออีกว่าพระเจ้าของสูเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอาดีบินฮาติมชื่ออาดีนะบินฮาติมเป็นอาลุกีตาเป็นชาวคริสรับนับถือาศาสนาอิสลามสมัยท่านนาบีพอรับอิสลามเสร็จแล้วก็มหาท่านนาบี ต้องการที่จะมามาคุยกับท่านนาบีเนี่ยนบีเห็นที่คองท่านอาดีเนี่ยมีไม้อะไรนะไม้กังเขนนบีก็บอกว่าวัลกฮาดลวะซันอังกเอารูปเจเวตออกจากคอของคุณก่อนโยนไปก่อนแล้วค่อยนั่งคุยกับฉันรูปเจเวต ร, รูปเจเวตเนี่ยส่วนใหญ่มาตรงมีรูปใช่ไหมล่ะแต่ไม้กังเขนรูปมีไหม ไม่มีแต่ทําไมนบีบ่อยเอาไม้กางเขนออกก่อนฉะนั้นไม้กางเขนนี่ก็เป็นรูปเจเวิตอันหนึ่งเหมือนกันถึงจะไม่มีรูปพระเยซูไม่มีรูปของคนก็ตามแค่เป็นไม้กางเขนไว้ที่คอนั้นนบียังสั่งให้เอาไม้กางเขนออกจากคอแล้วเขานั่งคุยกับท่านนาบีทีหลังฉะนั้นอีลาลหูกุมอิลาลูวา่าเฮ็ดพระเจ้าของท่านคืออัลลอฮ์มีองค์เดียวเท่านั้นไม้กางเขนที่อยู่ในคอก็ต้องต้องเอาออกด้วย โต๊ะเกียกก็ต้องไม่มีโต๊ะระยองก็ก็ไม่มีจึงจบทักก็ไม่มีนะครับไม่มีอะไรเลยก็มีอัลลอฮ์องเดียวนะครับโอ้หามอมีแล้วพี่น้องจากอาย่ญญานี้อุลามะอธิบายไว้ขี่ประเด็นพี่น้องหประเด็นประเด็นที่หนึ่งทุกๆุกประชาชาติมีวันสำคัญทามศาสนานะครับเรื่องที่สองเวลาเชื่อสัตว์ให้เอ่ยนามของอัลลอ์ ว่าไงนะบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบาอะลต้องเชื่อให้เป็นด้วยนะมีดจะต้องคมแล้วก็ยาเชื่อสัตว์ต่อหน้าสัตว์อีกตัวหนึ่งพยายามปิดอย่าให้มันเห็นนะครับข้อที่สามพระเจ้าของมนุษย์มีองค์เดียวชื่อว่าอะไรอลัลลอ์นอกนั่นเป็นพระเจ้าปลอมทั้งหมดข้อที่สีให้มนุษย์ทุกคนยอมจำนนตนต่ออลัลลอฮ์องเดียว แล้ววันนี้คนที่ไม่ยอมจำนวนตนต่ออลัลลอฮ์มีเยอะไหมมีขังรายบุสลีมประมาณสองพันล้านอีกเทา่าไรอีกห0 0พันล้านเนี่ยนี่เป็นหน้าที่ของผู้เราจะต้องรับผิดชอบดูแลโลกใบนี้ต่อไปข้อที่ห้าพี่น้องผู้ที่ยอมจำนวนตนต่ออลัลลอฮ์เขาจะได้รับข่าวดีคือสวรรค์บรกักตจการ มีพระเจ้าองค์เดียวนั้นทำให้เขาได้อยู่ในความใน ส, นสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะหูอัตอาเลเป็นองนี่ปรากาศันยิงย่งใหญ่นะนนนครับต่อมาอายาที่ส5หอัลลอฮฺในละซุกีรอหลอวิลัตลูบุมะสาบิรินะลาแม่สาบะหุม و ا ل م ق ي م ِ الصلاة و م ِ ما رزقناهم ينفقون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما ر ز ق ا ه م ي ن ق و ن <Allahu Akbar. S 1> อัลลอฮฺอับดุลลาฮฺอายนี้มีสี่ประเด็นใหญ่ใหญ่สอนเราสี่เรื่องไปน้อง <c oughs> เรื่องที่หนึ่งอัลลัีนาอิดะ ذوقي รัลลอฮฺบัรดาที่ <c oughs> หัวใจของพวกเขา วจิลัดกุลูบุหุมแปลตรงนี้ก่อนนะวจิลัดกุลูบุหุมวจิลานี่แปล ว, ว่ากลัวหรือประวันกุลูหมายถึงหัวใจหัวใจของพวกเขานั้นกลัวหรือว่าประวันเมื่อรดครับอิซาซุกิรอเมื่ออรรัลลอ์ถูกเออยเมื่ออัลลอฮ์ถูกเออยหัวใจของพวกเขานั้นเกิดความ กลัเกิดความประวันอธิบายยังไงอธิบายอย่างนี้เมื่อคําสั่งของอัลลอฮ์ถูกเอ่ยสองเมื่อชื่อของอัลลอฮ์ถูกเอ่ยสมเมื่อสัญญาของอัลลอฮ์ถูกเอ่ยสเมื่อการลงโทษของอัลลอฮ์ถูกเอ่ยสี่รายการนี้พี่น้องอะไรบ้างเมื่อคําสั่งของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ประสั่งให้ายไรนะ ให้ทำซิกครุลลอฮ์ก่อนจะถึงวันอิดอ่านี่คำสั่งอัลลอฮ์ใช่ไหมผ่านบีมุฮัมมัดใจประคัตใจโอ้โหอยากจะทำแล้วก็กลัวนี่อธิบายนะข้อที่สองเมื่อชื่อของอัลลอฮ์ค่ออัลรอฮ์มานอัลรอฮีมอัลกุดดุสอัลมาลิกอัลลอ์เมื่อชื่ออัลลอ์ถูกเอ่ยเราได้ยินหัวใจของเรามีความกลัว อันที่สามเมื่ออัลลอฮ์สัญญาว่าคนที่นามาดจะมีรัศมีในกูโบคนที่นามาดไม่ขาดอัลลอ์สัญญาว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาตาของเขาจะไม่บอดโอ้พอฟังแล้วมีความกลัวข้อที่สีเมื่อการลงโทษของอัลลอฮ์ถูกเอ่ยขึ้นคนนั้นมีความกลัวนี่ประเภทที่หนึ่ง ال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم เมื่อ uh um. เอ่ยเมื่อชื่อของ Allah ถูกเอ่ยดูขีร Allah แปลว่าชื่อของ Allah เอ่ยเมื่อว่าเราเอ่ยชื่อของ Allah เอ่ยคำสั่งของ Allah เอ่ยของดีๆของ Allah เอ่ยสัญญาของ Allah เป็นยังไงครับ uh um. ว่าจลักกูลบุหุมหัวใจของพวกเขามีความกลัวเกิดขึ้น นี่เป็นคนดีครับลักษณะของคนดีเป็นอย่างนี้นึกถึงอัลลอฮ์แล้วกลัวอัลลอฮ์ลลเราเป็นไหมเป็นครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์เอาเรื่องที่สองวัศบรีน่าลาเมาอัซาบะฮุมนี่พูดเรื่องของราหมดเลยน่ะนี่อัลลอฮ์ชมอีกนะกลัวอัลลอฮ์เรื่องที่สองวัศสสบรีนผู้ที่อดทนอัลลอฮ์ให้ไหมไปนอ้องผู้ที่อดทน อดทนในมิวสามรายการอดทนในการทำความดีนี่อย่าง น, นมาซุโบ่เนี่ยทำไม่ตื่นนะ่ะตื่นกันไม่ตื่นไหนอร่อยกว่ากันไม่ตื่นอร่อยกว่าใช่ไหมนอนสบายเย็นเปิดแต่เย็นเย็นตื่นเจ็ดโมงอร่อยไหมอร่อยถูกใจแล้วก็ถ้าตื่นมาเนี่ยต้องอดทนไหมอดทนก็ต้ออดทนในการทำความดีข้อที่สองอดทนไม่ทาบาปแต่ที่ อดทนข้อที่สามนี่ที่อดทนต่อความทุกข์ความลําบากที่มาประสบกับเขานี่อลัลลอฮ์ชมนะคนที่อดทนนะครับเมื่อทุกข์เมื่อความเดือดร้อนเมื่อความลําบากรวมไปถึงความยากจนการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับความทุกข์ทรมานนะครับความตายเกิดขึ้นเงินขาดแคลนมาประสบกับเขาเอาลัลลอฮ์พี่น้องเขาอดทน นี่อุาแอนอัลลอ์สัง่งให้เรานั่งอดทนแสดงว่าเราจะต้องถูกทดสอบจากอัลลอ์ทุกคนพี่น้องเมียป่วยรวยวาได้ไหมแขกมาบ้านเนี่ยภรรยาป่วยตอนรับแขกวาเน่ยที่ภรรยาผ้ป่วยจนเนี่ ย, ย, ย, ยแขกมาบ้านเาวานะรู้กี่ชุดคนวากเนี่เลี้ยงเฉพาะน้ำนะเพราะคนจัดอาหารป่วย เขาบอกไม่ได้ไม่ได้เรอยู่หรือยังมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาทำอยู่ยหรือยังพี่น้องฉะนั้นคนที่อดทนต่อการทุกข์ทรมานลําบากปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเรากับครอบครัวตัวไ้นนะต้องอดทนวุยวา ย, วายไม่ได้ครับนี่อัลลอฮ์ชมนะหนึ่งคนที่หัวใจของเขากลัวอัลลอฮ์เมื่อเอ่ยชื่อของอัลลอฮ์ ข้อที่สองคนที่อดทนเมื่อความทุกข์ความลำบากมาประสบกับพวกเขาข้อที่สวันมุติมิสโวลและผู้ที่ดํารงการนมัสารสม่ําเสมอขาดไม่ได้วันละกี่เวลาห้าเวลาอย่าขาดนี่อัลลอฮ์ชมอัลลอฮ์แอบบอติเอนอย่างการเรื่องของเรามีเรื่องของแพะเลยไมย่เรื่องของกายอนยะ่างแต่เรื่องของมนุษย์ทั้งหมดนเรื่องของเราหมดเลยเหนะไหม เอาต่อมาข้อที่สี่วามิมาราจากนาหุมยุมสิกูนและพวกเขาบริจาคอ่าเห็นไมในสิ่งที่เราได้ประทานเป็นเครื่องยังชีพให้กับภกเขาอัลลอฮฺอักบัตซีรายการไปน้องผมว่าเขียนแปะที่หน้าบ้านเลยอัลลอฮฺชมคนประเภทนี้นะหนึ่งเวลาา นึกถึงอัลลอฮ์ใจกลัวแล้วก็อดทนต่อความทุกข์ทรมานความลำบากมาประสบใครบ้างไม่ประสบกับความลำบากมีไหมมีไม่มีครับ ม, ม, ม, มีทุกคนบางทีเจอทีงสามเรื่อง <c oughs> ตัวเองป่วยสองเงินไม่มีสารจะไปหาหมอรถไม่มีอัลลอฮ์ Allah, พี่น้องสามเรื่องพร้อมๆกันทำไงพี่น้องต้องอดทน แ้วอดทนทำงานมันจะวุว่นวายนะอดทนกับยาอัลลอฮ์อ่านมัลลาอัลลอฮ์จาฉันเนงินก็ไม่มีป่วยก็ป่วยรถก็ไม่มียามาช่วยหน่อยเดียจัดให้ะหรอนะครับ <laughs> <laughs> ขอดอาขอดอาเยอะๆอัลฮมดุลิลลา์อัลลอฮอบดุหพี่น้อง <c oughs> อายานี้กี่รายการนะ <c oughs> สรายการพี่น้องนึกให้ดีนะ ราย ก, การที่หนึ่งอิดายุกิร์ัลลอฮฺวจิลักุลูบุฮุมเมื่อเอ่ยนามอัลลอฮแล้วก็หัวใจกลัวตะวันอ๋อเรื่องที่สองซอบิรินอดทนต่อความทุกข์ลำบากทรมานมาประสบกับท่านอันที่สามวัลมมกีมิซวาแลผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งการนมาดดำรงพยายามนมาจับจมาอย่านมาดคนเดียว ย่งมากกับยังมานอกจากคนป่วยอล่อยยกเว้นฝนตกกลัวข้อที่สามวันมิมาราซากรนาหุมยุมฟิกุตบริจาคพี่น้องบริจาค เ, เยอะๆน่อยไม่มีปัญหารู้ไหมคนที่ตายนอนอยู่ในกูโบเนี่ยขอร้องมาลัยกาวันึงในรู้กี่รอบอลัลลอ์มาลัยกาจะาช่วยบอกอลัลลอฮ์นายให้ฉันฟื้นขึ้นมาเขาถานจะมาทาอะไรจะมาบริจาค ก, ก่อนเลย เพราะบริจาคเนี่ยอัลลอฮฺเจ้าน้องมันขี้เหนียวนะคนนะ น, นะหามาร่วมตายเสร็จแล้วเอามาให้อีกอัลลอฮฺยิ่งคนที่ให้น่ยเป็นคนจนที่เรามันไส้อยู่แล้วเนี่ย อ, อจะไปให้ได้ยังไงพี่น้องแต่จําเป็นจะต้องใหอย่า ง, ร ง, เ, เ, อองาาเรื่องกุศลเนี่ยใช่ไหมตัดตัดไผ่ไปเลยบ้านนี้เรามันไส้มานานแล้วไปให้มั น, นใจจะไม่อยากให้แต่ให้เพราะอัลลอฮฺสั่งอีออัลลอฮฺตาเาพอใจ ฮัำดี ล, ลิลละพี่น้องทุกท่านอลลห์ Allah, นี่คุณอานพูดเรื่องของใครครับเรื่องของเรานะพี่น้องนะ <c oughs> ต่อมาอายาที่36วัลบุดนุญะลนาฮาละกุมมินชัยริลลาฮิละกุมฟีฮะขัยร فذكر اسم الله عليها فواف فإذا و َ ج ب ت جنوبها فكل منها وأطعم القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم. لعلكم تشكرون والبدن جعلناها لكم من شرير الله لكم فيها خير فذكر اسم الله عليها صفا ว่าิดา واجب ต์ جنوبها فكلوا منها وأطعم القانع والمعتر كذالك سخرناها لكم لعلكم تشكرون الحمد لله الله أكبر อ๋ออ๋อสอนละเอียดเลยครับพี่น้องอ้ามาดูเรื่องกุลบาน ว่า น, นี่เรานี่ยตรงกับคุณบาลพดีเลยนะลางดยเรื่องวัลบุตนุบุตนูเนี่ยแปลว่าอูดอูดอูดอู ด, อ ด, อดที่อ้วนสมบูรณ์อุลามาบางท่านอธิบายว่าสัตว์จะเป็นแพะแกะวัวอะไรนะควายพวกนี้นะเรียกว่า ว, ว, วัลบุตนูเหมือนกันจต่อุลามาส่วนใหญ่ครับว่าบุตนูหมายถึงเจาะจงไปที่อูดอย่างเดียว แต่สัจะตีความหมายก็คือสัตว์สีเท้านะแพะแกะวัวควายเนี่ยได้หมดนะวันบูตโนอูด ต, ตัวที่สมบูรณ์ละอ้วนเนี่ยยาลนาฮาละกุมเราได้ทลลําอมลอคิมัสเราได้กําหนดเราได้ทําหรือเราได้กําหนดฮาสัตอูดมาถึงอูดวันนั้นนะอ่ะเรากำหนดอูดมาเนี่ยละกุม อะไรนะสําหรับสูงเจ้าอัลลอฮ์สร้างอูดมานะให้มนุษย์ดูแลให้มนุษย์เป็นเจ้าของเรพูดง่ายๆอย่างนี้นะเห็นไหมอัลลอฮ์นะให้เกียรติมนุษย์ขนาดไหนอ่ะสร้างอูดมาแล้วอูดเนใหญ่เกิมนมนุษย์ใช่หรือไม่ใช่ถ้ามันชนมนุษย์ตายไหมแต่มันให้อัลลอฮ์ให้อูดมาอยู่ใต้การคอนโทรลของมนุษย์รวมไปถึงช้างด้วย ทางใหญ่ใช่ไหมใครคุมมันได้ทางเนี่ยมนุษย์คุมได้อลาวบางทีมันก็นมันไส้มันก็นเหยียบปั๊บก็มีนัานๆ <c oughs> นนนนทีให้เห็นว่าเออเองคุมข้าไม่ไหวหรอกนอกจากอัลลอฮ์ไม่อนุญาตใครก็กระเทืบทันบังบางครั้งบางคราวให้ตายให้เห็นวัลบุเดนุจอาลนาฮาลักุมปูดอ้วนสมบูร์เนี่ยเราได้กําหนดมาให้สําห ร, รั บ, บสูตเจ้าทั้งหลาย มิัชาอิลล์ซึ่งอยู่ในเครื่องหมายของอัลลอ์อัลลอฮใไมมิัชาอริลล์ให้มนุษย์ดูแลสัตว์เนี่ยเป็นชะอิริลล์นะเป็ น, นะปนอะไรนะเป็นอะไรนะเป็นเครื่องเครื่องหมายของอัลลอฮ์อัลลอฮให้เราดูแลสัตว์นี่นะเป็นเครื่องหมายของอัลลอฮ์จะนั้นมนุษย์ตรองนึก ให้สัต์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยมาอยู่ใต้คอนโทรลของเราได้เนี่ยใครให้อะอัลลอ์ให้ถ้าอัลลอฮ์ไม่กำหนดมันชนเราอ่ะแต่มันข้ามมาชนอิมามก็มีน่ะวัวหัวด้วยควายควายที่หลายนะท้าอิดท้านอ่ะอัลลอ์ให้เห็นน่ะเพราะนั้นเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องครับวัลบูดูโนจัลนาฮละกุมอูดอ้นสมบูรณ์เราได้กำหนดนะครับ สำหรับสูเจ้าตั้งหลายมินช่าอยดินละซึ่งอยู่ในเครื่องหมายของอัลลอฮสัตว์เหล่านี้นะเป็นชาอิยดินละให้เราชิดชายปัญญาละกุมฟีฮะคอยละกุมสำหรับสูเจ้าฟีฮะในตัวสัตว์นั้นคอยรุ่นมีของดีๆอัลลอฮสอนหมดเลยเห็นยังครับ ไม่จะเรียนวยิทยาศาสตร์แตเอาลอสอนแล้วเนี่ยแล้วกลุมฟีฮาคอยในตัวสัตว์ทุกตัวนั้นมีของดีสำหรับสู่เจ้าอะไรบ้างยังก็เอาอูดขี่ได้ไหมได้ใส่ของได้ไหมได้ยานพาหนะได้ไหมได้อันที่สองกินนมมันได้อีกเขาว่านมอูดดีมากจะไว้คุณเฉลิมเขาว่ากินแล้วแข็งแรงอ่ะโอ้โหชั้นหนึ่งเลย ฉังนใช้ที่เพียๆแย่ๆไปซาอุดีต้องไปเดินซื้อนมนมอูดเนี่ยที่เลาอลโลแข็งแรงมีภรยาเพิ่มได้อีกฮะอาชีออาชีอูออออรักษาโรคได้อีกรักษาโรคได้อีกอันหนึ่งหนึ่งขียานพาหนะสองนำนมสสามาไดนะถ้าเป็นแกะก็ขนทั้งมัน อ, อุลโลเอามาทำประโยชน์ได้แล้วก็สีเอามาเป็นอาหารมาเป็นเนื้อใช่ไหมสี่ประโยชน์ หนังอีกอะเห็นไหมเนี่ยกรอ่านชี้เลยและกุมฟีฮาคอยรุนในตัวศาสตว์นั้นสำหรับท่านทั้งหลายมีของดีๆหลายอย่างอัลลอฮ์คิดเองชช่ๆปัญญาเองต่อมาครับฟาสุกรุสมัลโาจงเอยนามของอัลลอฮ์ตอนไหนครับตอนเชื่ออันนี้จะจงสรับอูดอะไรฮะ สว่าสว่ามาจากซอฟตั้งแถวเนี่ยซอฟใช่ไหมซอฟนี่แปลว่าอูดในเวลาเขาจะเชื่อด้ยวยเขาไม่ได้นอนเชื่อดแบบสัตว์อื่นๆนะสัตว์อื่นๆเนี่ยเขาต้องจับมัดเอามานอนตะแคงก่อนแต่เฉพาะอูดอย่างเดียวนะยืนผูกขาข้างเดียวแล้วก็เชื่อมันขณนะที่มันยืนเห็นไหมผมก็บพงรูนี่แหละเลพราะเราไม่เคยเห็นเขาเชื่อ อ, อูดกันอนะ จะนั้นเชื้อดอูเนี่ยเขายืนเชื้อดอูดเขายืนพอเชื้อเป็นแล้วมันก็จะลม้มตอนล้มนะฟาอิดาวาจาบัตอ่าวาจาบัตแต่ว่าลม้มยูนูบูฮาแปลว่าสีข้างเมื่อสีข้างของอูดเนี่ยล้มมาถึงตายวิญญาณออกกับร่างอ่าวาอิดฟาอิดาวาจาบัตยูนูบูฮา ขณะที่มันถูกอะไรนะจงเอยนามของอัลลอฮ์บนมันขณะที่มันถูกเรียงให้ยืนเป็นตับถูกยืนให้เรียงใช่ไหมรำคาญเชื่อเชื่อเชื่อเชื่อเชื่อฟาอิจาวาจาบัตเมื่อมันถูกเชื่อดแล้วนะครับเวลามันล้มล้มลง ม, ม, มานอนบนข้างตัวของมันล้มล้มข้างตัวของมัน เมื่อตายแล้วนะว่าจะบัดมาถึงล้มแล้วก็ตายวิญญาณออกจากร่างไปแล้วเนี่ยฟากูลูมินฮาเอาล อ, สอนส์เลยครับมาทำไงก็มาจะโยนทิ้งทั้งหลายจงอะไรนะจงกินจงกินตกลงว่าคนที่เชื่อสัตว์ทำกุรบานเนี่ยจะข อ, องกินได้ไหมได้แต่ต่อมาอีกมินฮาจากจากเนื้อสัตว์ที่เราเชื่อเนี่นยแหละ แล้วทํำไงอีกว่าอับไอมุลกรเนี่ยจงให้อาหารอัลลอฮฺอักบะตจงอะไรนะจงแจกให้อาหารกับคนจนจนกอเนี้ยกับมุอะตัดเนี่ยเป็นคนจนทั้งสองคนจนที่นนทไม่เอ่ยขอกับคนจนที่เอ่ยขออัลลอฮฺเล่าสิทฝาตของคนจนมีสองสองประเภท ประเภทที่หนึ่งจนแล้วรักษาตัวเองไม่มีใครรู้ทั้งๆ ท, ท, ที่จนไม่เคยเอ่ยปากขอใครเลยสังเกตง่ายๆคนจนๆที่ไม่เอ่ยปากขอสังเกตตัวก็มานมาเนี่ยใ ส, ยเสเ่เสื้อเก่าๆเสื้อขาดๆ า, ารู้เลยคนนี้เป็นคนจนนะไม่เคยออกไม่เคยเอ่ยปากขอคนนะไม่เคยขอท่านเราเป็นคนมีฐานะการเงินต้องสังเกตคนด้วย เวลาเขามามัสพิดเนี่ยเขาใส่เสื้อขาดขาดเอมขาดมาตั้งนานแล้วกนเนี่ยเขาไม่เคยเออยปากขออ่ะแต่นี่บางคนเนี่ยเออยปากขอกรทั่งที่ได้เงินไปแล้วบางส่วนพอจะดูแลครอบครัวได้แต่ยังขออีกอ่ะคนมีสองประเภทประเภททีหนึ่งเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากประชาชนแต่ไม่เออยปากขอดูแลตัวเองให้ดีรักษารักษาฟอร์มาไว ทำดุริยาง์แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยได้แล้วกูไมาทา่ทรกษากูขออกีกนี่เอาล้อเล่าให้ฟังนคับพี่กูอ่านเลยใช่หัหคนต้องการให้คนช่วยเหลือมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งเงียบไม่ขอใครเลยประเภทที่สองขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกนึกถึงศาสนาอบูบาการ์รดิอัลลอฮ์ของอนดูตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านดูแลคนจนๆนะเยอะนะไม่ไม่ได้บอกให้ใครรู้เลยรวมไปถึงบ้านโตแก่ๆคนเดีงวเนะ ไ, ไรนไะปไปกวาดบ้านให้ไปรีดนมแพะให้เอาเอานมนมไปให้โตกินแต่นีคนไปแอบถามว่าใครอะที่มารีดนมให้ไม่รู้ไม่รู้ว่าใครมารีดนมให้มากวาดกวาดขี้แพะนะ่ะสซนาอุมัดไปสังเกตดูนะท่านอบูบักเนี่ยไปช่วย สิดนมทําความสะอาดบ้านนี้แต่คนตาบอดไม่รู้ว่าเป็นใครพอท่านอบูบักเสียเสียชีวิตคนจนๆอีกประมาณสิบกว่าครอบครัวมานั่งอยู่ข้างนอกก็ถาวว่าอา้าวพวกคุณมาก่อนห น, น้านี้ไปอยู่ที่ไหนไม่เห็นไม่เคยเห็นหนะ้าเขาบอกมาก่อนนี้ท่านอบูบักช่วยฉันอยู่รับๆไปมีใครรู้วันนี้ท่านเสียชีวิตแล้วไม่มีใครช่วยเลยต้องออกมาบอกให้ชาว บ, บ้านรู้ว่าฉันเป็นคนจนคน นี่คุณอ่านอธิบายครับคนจนมีสองประเภทหนึ่งว่าอาตมาอุโมงค์เนี่ยจงให้อาหารหรือจงแจกอาหารแก่คนที่ไม่เอ่ยปากขอกอนเนี้นะว่ามัตตระและคนที่ยากจนที่เอ่ยปากขออุลมาอธิบายไงทุกคนเตซมใจจะไปว่าได้แล้วก็ขออีกได้แล้วก็ขออีก เอลลารอเขอักบัตมีไหมมีด้านคนฉลาต้องสังเกตอย่าไปโบนเขาเยอะคุณน้องนะสังเกตยังไงนะตอนที่เขาใส่เสื้อผ้ารู้แต่พวกเราเนี่ยบางทีก็หกกันเยอะนะออกข้างนอกนะแต่งตัวกันโโหแต่งที่แล้วพออยู่ในบ้านบางทีไม่มีเสื้อใส่อยู่ตัวเดียวนี่นแหละนี่อย่างบางทีเรากับปอมก็หกชาสองคมเยอะเหมือนกันนะ สังคมสังคมไปะะอ่ะในเวลานี้อัลลอ์เล่าให้ฟังคำพีกุณอ่านอธิบายอธิบายถึงคนที่ต้องการจะให้ประชาชนช่วยมีสองประเภทประเภทที่เอ่ยปากขอกับประเภทที่ไม่เอ่ยปากขอฉะนั้นผู้รับผิดชอบต้องดูแลสังคมเนื้อกุรบาลต้องแจกกับคนเหล่านี้ด้วยนะครับกาซาลิกาสะขรนาฮาละกุม กเริกาสะรนาฮาลาคุมเราได้ทำให้สัตว์เหล่านี้อ๋อลลอยู่ใต้อำนาจของสูเจ้านี่พูดซ้าไปสา ม, มาหลายครั้งแล้วนะเพื่อให้คนอ่านคงอ่านใช้ปัญญาอแพะแกะวัวควายเนี่ยอยู่ใต้มนุษย์มนุษย์คอนโทรลหมดเลยนะจะยิ่งมันก็ได้จะฆ่ามันก็ทำได้รได้หมดลนะ่ะ แต่ว่ามีกี่คนที่นึกถึงอัลลอฮฺ سبحانه และก็ตากาล์นกมันการ น, นกนะ่ะนกอัลลอฮฺให้เราคนดูแลนกนกขาวที่เอามาใส่กรงเอาไว้อะทำไมมันร้องจังแล้วเกลอ่ะมันนึกถึงตัวผู้มันอยากนิกายถ้าเราไม่ให้มันนิกามันก็รอฉันอยากนิกายฉันอยากนิกายไอ้เ่ยเ อ, อิ่มพ่าะด้เสียงดีแบที่นายได้มันกำลังด่าอยู่ฉันต้องการนิกายเอามาขังไ ป, ปห้าปีแล้วอ่ะ แล้วเราขังห้าปีไปไงอยู่ไมไ่ไหวแล้วเรา <g ots> <g ots> ต้องนิกาจะนั้นนกประสงสารมันต้องนิกาไก่ก็นิกาวันหนึ่งหลายรอบนะแพะแกะอัวควายสัตว์ทุชนิดต้องการนิกาหมดเลยนะครับนกยกเวนนกข่าวที่เราไปทรมานละัลลกุมทัชกูรุน <c oughs> อัลลอให้สัตว์มาอยู่ใต้อำนาจของท่านทั้งหลายไว้ดูแลพี่น้องนะ ให้ทำงานกิจการแทนท่านให้ลากสูงทานู่นทำนี้อัลลอ์ให้เยอะแยะไปหมดเนี่ยลาลากุมตาสกูลเพื่อสู่เจ้าจะได้ขอบพวกคุณอัลลอ์อัลลอ์พี่น้องอัลลอ์ให้ผู้หญิงมาคนให่เราดูแลดันไปตบเขาอีกทำไมเป็นอย่างนี้ลนะ่ะเตะเขาอีกแล้วก็ด่าเขาอีกอัลลอ์ถ้าถ้าพยาฉลาดพูดนะฉันไม่ใช่วัวนะ ทังขีด้วยสารพัดแล้วก็ตีด้วยฉันไม่ใช่ ว, วัว น, นะสะไนาอุมตทพูดระไรใช่ไหถ้าภรรยาฉันจะบ่นฉันว่าฉันบ้างเชิญตามสบายเพราะนางมีความดีสี่ข้อหนึ่งคลอดลูกมีลูกอุ้มคันเป็นลูกของฉันเลี้ยงลูกแทนฉันอันที่ 3, สามซักเสื้อผ้าให้ฉันใส่ซี่จัดอาหารให้ฉันทานอัลฮัมดุลิลลา ถานางจะบนบ้างว่าบักเชิญตามสบายไม่ใช่วัวนะนะครับต้องดูแลนางให้ดีนะครับทำดูแลคุณเฉล้มนะครั บ, รบมีก้าวใหม่ๆต้องดูแลให้ดีนะครับเอาต่อมาครับอายาสุดท้ายเลียนาลลอฮูเลียนาลลอฮะลูฮุมฮะวลัดิมาอูฮา ال و َ ل َ ا ك ِ ي َอนาลูฮุตักวะมิงَุมกาจัลิกั ك ักَ์ฮาลักุมลิตุคับบิรุณ์อัลลอฮะะลา ا ม ل าฮะดะคุมวับช์ริล์มุฮซินีอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอ ل ฺอัลลอ ه ฺอ ว่าได้มาอ ا อฮะว ا ากี่นาล ن หุตัَวะม ه ่ ا ل ุมกาดานิกาซักฮะรอฮะละค ك มลิตุกับรุ่นลาหะม ل ดาคุม นี่กำลังพูดเริ่มสัตว์ที่เชื่อทำกุฎบาลในวันอีดเนี่ยนะตัวเราหลังจากวันอีดอยู่สามวันคนที่บางคนยังไม่เนียทําภูบาลก็มีใช่ไหมตอนนี้เพราะเงินไม่มีไงตอนนี้บางทีไปได้เงินในวันอีดแต่เงินมาหมื่นหนึ่งเนียดเลยฉันจะทำกุฎบาลเนี่ยตอนนั้นนั่นแหละก็ไปซื้อแพะ์มาหนึ่งตัวเชื่อทําุฎบานเลย อาที่นี้พอพูดถึงเลือดเชื้อสัตว์ทำกุลบานอัลลอฮ์เล่าดักระีคุรานเพื่อให้เราเข้าใจว่าไลยาน่าละลอหูมูฮาแปลแปลโลหูมโลหูมแปลว่าเนื้อเนื้อของสัตว์วลดีมาอูฮาดีมากแปลว่าเลือดเลือดและเนื้อของสัตว์นั้นไลแปลว่าไม่ยานาลถึงอัลลอฮ์ เลือดและเนื้อสัตว์เลือดสัตว์เนื้อสัตว์ที่ท่านพี่น้องเชื่อนั้นอลัลลอฮ์ไม่เอาไม่ถึงอลัลลอ์เลยอลัลลอ์ไม่ต้องการเลยพูดง่ายๆไม่ถึงอลัลลอ์ที่ถึงอลัลลอ์อะไรครับวาลกียนาลูหูแต่ที่ถึงอลัลลอ์คืออัตตะวามิงกุมใช่ไหม ตักว่าแปลว่าอะไรนะสํารวมตนให้พ้นจากความชั่วหัวใจของคนเชื่อหนะนึกถึงอะไรตอนเชื่อสัตว์ของอัลลอฮฺสุบฮานาอูวาแนห์ตอนเชื่อเนะบางคนเชื่อโต๊ะแน๊ะนั่นน่ะบาปย่างแรงเลยเชื่อให้กับโต๊ะตะเกียเชื่อให้โต๊ะระยองเชื่อให้เจ้าที่เชื่อให้กับ ใช้ตอนยินเทวดาที่ไหนก็ไม่รู้ไปน้องนั่นไม่ถึงอัลลอฮ์เลยไปน้องเลือดก็ไม่ถึงเนื้อก็ไม่ถึงตักวาก็ไม่ถึงด้วยพี่น้องฉะนั้นคำว่าตักวาหมายว่าไงไปน้องหัวใจที่เขานึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็เชื่อสัตว์ที่เขาได้รับบริสกีของอัลลอฮ์มาฉันจะบริจาคเนื้อของฉันให้คนยากคนจนกินเพื่อหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์นั่นก็เรียกว่าตากวา ทำเพื่ออัลลอฮ์หมดเลยไปน้องอัลลอฮ์หัวใจไ่น้องหัวใจของเราเพื่ออัลลอฮ์ทักวาต่ออัลลอฮ์ถึงอัลลอฮ์ยางอื่นไม่ถึงเนื้อถึงไหมเนื้อไม่ถึงอัลลอฮ์เลือดถึงไหมไม่ถึงเขาถึงไหมไม่ถึงขนถึงไหมไม่ถึงกระดูกถึงไหมไม่ถึงที่ถึงก็คือหัวใจของคนที่เชื่อสัตว์เจ้าของสัตว์ที่ซื้อสัตว์มาเชื่อทำพุทธบานเพื่ออัลลอฮ์คำว่าเพื่ออัลลอฮ์อันนี้ถึงอัลลอฮ์เลยต่อมาครับ กาดาลิกาสัคลาละกุมในทํานองนั้นน่ะกาดาลิกีนะพระองค์ได้ทรงทรําให้สัตว์นั้นอยู่ใต้อํานาจของสูเจ้าพูดกี่ครั้งแล้วเนี่นอยอายาที่แรกก็พูดใช่ไหมสัคลาหะกุมเพื่อไม่ให้มนุษย์เลองอ่ะให้มนุษย์ทำต้นอลัลลอฮ์ดูแลสัตว์ให้ดีอลัลลอฮ์ ผมเนี่ยเป็นห่วงผู้หญิงนะพวกเราผู้ชายชอบดูชอบตะวาดอรอ ย, ยังกับลูกจ้างลาวอย่างั้นแล้วอร่อยแบบต้องดูแลขนาดสัตว์เนี่ยอล่อยอย่างสังนะอัลลอฮ์ให้สัตว์มาอยู่ใต้คอนโทรลของท่านทั้งหลายต้องดูแลให้ดีแล้วคนละ่ะพี่น้องดูแลให้ดีลูกดูแลให้ดีภรรยาดูแลให้ดีนะครับ ลิถก al ah e ับบรุ ir, um ่นลอฮฺ阿拉มหดาุมเพื s ah, s ่อส ah ู่เจ้าจะได้กับบารออยู่กับบรุสรรเสริญชมเชยยกย่องแท่ซ่องต่ออ um an ัลลอฮฺท่านจะเชื่อสัตว์ว่าไงนะอัลลอฮฺอัลลอฮบิสลามีอัลลอฮฺอัลลอฮจะร่วมละนองกับภรรยาต้องนึกถึงอัลลอฮก่อนอัลลอฮมัจญิบนชัยตอนวัจญิบิชัย้อนมารซักนานี่อัลลอฮให้มาเนี่ย บางคนะจะหาภรรยาห้าปียังหาไม่เจอเลยนะทำไงอลัลลอฮ์ไม่ให้ท่านพอให้มาต้องนึกถึงอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์นี่ผู้ชายอยู่เกินโทรศัพท์ล่าใ้ผมฟังอาจารย์ผมเนี่ยสิบปีเนี่กว่าจะได้ภรรยายขอตัวต่ออัลล์ไม่สำเร็จต้องไปทำอุมหรอ ไปเดินตว่าพละยาอโลชันอยากได้ภรรยาชอบคนนี้เ อ, อ่ยชื่อเลยแต่ว่าวั น, นึงหลายรอบก็เ อ, อ่ยชื่อคนนี้เลยพระยาอโลอยากได้คนนี้เป็นภรรยาพอกลับมาได้สองถึงสมเดือนได้ได้ไดขอบคุณมากเลยได้แล้วฉะ น, นั้นภรรยาจะทําอาหารถูกปากไม่ถูกปากฉันอัละฮัมโดลิล่าอย่างเดียวเพราะนึกถึงตอนที่หามาสิบปีนะ่ะได้ยากแค่ น, นั้นพอได้มาแล้วเนี่ยอัละฮัมดดนิล่า ขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องเอาสูตรนี้ไปใช้บ้างนะจะเป็นคนเดียวในโลกก็ช่างเลย อ, อาบุชนาะต่อมาครับลีตูกับบิรุลลอห์เพื่อสูเจ้าจะได้แท้ซองอัลลอ์อย่างนั้นอย่างยิ่งใหญ่นะอัลมาฮดากรุ่มต่อการที่พระอมได้ทรงนำทางสูเจ้ามารู้จักอัลลอฮ์นี่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่น้องเราเรียงสัตว์ นึกถึงอัลลอฮ์จะเชื่อสัตว์นึกถึงอัลลอฮ์งานอย่างนี้เป็นงานที่อัลลอฮ์ชี้นําให้นะพี่น้องไม่ใช่ได้กันมาง่ายๆนะพี่น้องเราต้องเรียนหนังสือต้องอ่านหนังสือใช่ไหมบางคนนี่นะดูแลสัตว์แต่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เยอะไหมเป็นเจ้าของฟาร์มนี่แหละแต่ไม่รู้จักอัลลอฮ์มีไหมมีครับแต่เราเนี่ยเราทำเลยแล้วรู้จักอัลลอฮ์ซุลตานาบูฮฺอัลลอฮ์อต่อมาครับวักสุดท้าย ว่าบัชชิร์ลูมุฮซินีมูฮัมหมัดอัลลอฮ์บอมูฮัมมัดเอ๋ยจงแจ้งข่าวดีบัชชิษเนี่ยอัลล์บอกกับนบีมฮัมมัดมฮัมมัดเอ๋ยจงแจ้งข่าวดีกับอัลมุซินทุกคนที่ทาความดีความดีอธิบายยางี้ความดีทาความดีกับตัวเองอาอะไรบ้างนมาคบหาเวลาอ่านคุณอ่านซิรุล ทำดีกับคนอื่นทำกับพ่อแม่ญาติพี่น้องภรรยาลูกลูกทำดีกับสัตว์อีกอะพี่น้องอดูแลสัตว์แต่มีต้นไม้อยู่หน้าบ้านเนี่ยน้ําก็ไม่รด ถ, ถ้ามันก็ตายมันตายให้เห็นน่ะรู้อย่างเองเลี้ยงเอาต้นไม้มาปลูกไว้หน้าบ้านน้าไม่รดฉันก็ตายให้คุณเห็นเห็นอย่างขัดแค่ท่านยืนปลูกต้นไม้ยืนอยู่หน้าต้นไม้ไปยืนบ้าง นึกถึงต้นไม้นึกถึงอย่างงี้นบีมีอยู่วันหนึ่งกำลังอ่านอ่านอัานคุตตบา่าอยู่แล้วก็ข อ, อนไม้มีอยู่ข อ, อนหนึงนะบีเชยยืนบนขอนไม้นี้ทําอะไรรู้ไหมอ่านคุตตบา่าวันนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งอะไรนะเอาขอนไม้เอาเอามิมบาตมาแทนพราะไปยืนอ่านบนบนบนบนบนมิมบาสเสร็จแล้วว่าขอนไม้อันนี้นี่ยมันโลองลมันสรรั่นในมันสยิดน่ยคนเห็นหนมดเลยอ่ะ นบีเดินลงมาจากขอนมาจากบิมบัตแล้วก็มาจับขอนไม้แล้วมากอดบอกว่าไม่ต้องร้องนะขอนไม้ร้องทำไมร้องเพราะนาบีไม่ได้ยืนใช้งานไม่ได้ยินเสียงของท่านนาบีเลยเสียใจเห็นยังรครับเพราะฉะนั้นต้องการจะอธิบายว่ามนุษย์นี่นะหลายคนนี่ไม่เคยร้องไห้เลย ถ้ไม่ได้ยินเสียงกุรานไม่ได้ยินเสียงฮั ด, ดียไม่เคยร้องไห้แต่ว่าขอนไม้เนี่ย ร, ร้องไห้แสดงว่าขอนไม้นั้นดีกว่าคนที่ใจบอดสรุปไงไ่งงายๆในตอนต่างๆจากนั้นว่าบัชร oh ิลมฮซีนีนจงแจ้งข่าวดีมอมมัดเอ๋อจงแจ้งข่าวดีจงบอกข่าวดีกับคนที่ทําความดีทําความดีมีอยู่สี่อย่างเป็น้องค์หนึ่งทำดีกับตัวเอง สองทำดีกับคนอื่นอา้าวพ่อแม่ญาติพี่น้องภรรยาลูกๆอันที่สามทำดีกับสัตว์สี่ทำดีกับต้นไม้พืชที่เราปลูกอยู่หน้าบ้านเนี่ยไปยืนคุยกับมันบ้างอัสลามุอะลัยกุมมาโลอักุบผมเลี้ยง น, นกอยู่ตัวหนึ่งนกอะไรอะ่ะหายไปแล้วใครลัดอัสลามุอะลัยกุมอัาอะลัยกุมมูสลา แต่ผมนึกว่าแข่งมาจริงๆไม่ใช่สามาเลยตัวมัรอนกมาเรียนแบบเสียงเราฉะนั้นว่าบัชซีดีมูฮซินีนจงแจ้งข่าวดีกับคนที่ทําความดีทุกคนทําความดีมีุตส่าหการหนึ่งทำดีกับตัวเองสองทำดีกับคนอื่นสองทำดีสามทำดีกับสัตว์สี่ทำดีกับสมวลมนุษยที่เราปลูกไว้อยู่หน้าบ้านเรารดน้ําพื่อน้องนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ คือต้องสังเกตนะสักกะฮ า, าเนี่ยอลัลลอฮ์พูดในรกระพืออุไรนประมาณสิบห้าครั้งอ้าอัลลอฮ์นะแปลว่าให้สรพรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยอยู่ใต้การดูแล ข, ของเราอย่าไปกราบไ ม, ไม่ใช่กราบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ชั้นฟ้าแผ่นดินภูเขาเนี่ยอลัลลอฮ์ให้มามันรับใช้พวกเราอะแพะแกะวัวควายมารับใช้อย่าไปกราบสัตว์อย่าเอานิสัยอัครากรฮินดูมากราบวัว อล๋อ <Allah. S 2> คนที่ดูมันกาบัวเวลาวัวมากินหญ้ามันพักรอบยาพ่อพ่อยาพ่อพ อ, พ อ, พ อ, พอยากินอ๋อกิน ด, ด้านที่กันน ะ, นะครับอย่างนี้เป็นต้นอ้าวคุณท่านสรุปสั้นๆก็คือคนที่ทำกุฎบานเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาเนื้อและไม่เอาหนังและไม่เอาเลือดแต่เอาอะไรครับเอาหัวใจของคนที่ทําเพื่ออลัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى Tong n i t a n g a h tiap-tiap Allah Subhanahuwataala Subhanakalauhumaa wa bihamdika ashadualla illaha illa anta astagfiruka wa taubuhilaih. Bismillahirrahmanirrahim.